มีบุญไม่ได้วัดกันที่มีทรัพย์แค่ไหนแต่วัดกันที่โดนบาปบางตาเพียงใดและมีบุญพอจะค้นพบทรัพย์ภายในหรือไม่มีบุญคือมีสุขอยู่บนกองทุกขเป้าหมายของพุทธศาสนาคือดับทุกขคนมีความสุขจึงยากจะเข้าใจในเมื่อไม่มีทุกข์ให้ควนขวายหาทางดับ คนมีบุญสูงสุดจึงหมายถึงคนที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาด้วยและมีความทุกพอที่จะคลิกกับเป้าหมายแบบพุทธด้วยมีบุญพอที่จะซื้อเครื่องเล่นเสียงเล็กๆมาอาจรู้สึกว่าตัวเองมีบุญเหลือเกินเมื่อฟังเพลงที่ชอบได้อย่างดื่มดำมีบุญพอที่จะซื้อเครื่องเล่นเล็กๆเดียวกันรายอีกคน รู้สึกว่าตัวเองบุญน้อยอย่างหน้าอานาถปังไปอานาถไปไม่มีความสุขเลยสักเพลงรู้สึกว่าเครื่องเล่นมันกระจอกเพราะเคยฟังเครื่องเล่นเสียงระดับอ๋องมาแล้วรู้สึกแล้วว่าของดีต้องมีเวทีเสียงประมาณใดมีบุญกรอบครองเครื่องเล่นเล็กเล็กเช่นกันใครบางคนอาจเอามาตั้งไว้เฉยเฉยลืมเลยว่ามีเราะไม่เคยนึกอยากฟังเพลง อาจเพราะจินกับการนั่งฟังเสียงฟุ้งซ่านที่คล้ายแมลงวีในหัวหรืออาจพระชอบนั่งฟังเสียงแห่งความสงัดเงียบแห่งสมาธิที่คล้ายสุญญากาศไพศาลของจักรวาลใหญ่มีบุญจึงไม่ได้วัดกันที่มีทรัพย์แค่ไหนแต่วัดกันที่โดนบาปบางตาเพียงใดหรือมีบุญพอจะค้นพบทรัพย์ภายในด้วยหรือไม่มีบุญ คือเคยสร้างเหตุแห่งความสุขไว้อาจด้วยการมีน้ำใจให้เปล่าอาจด้วยการรักษาใจให้เกิดศีลหรืออาจด้วยการเจริญใจให้มีสติรู้รสวิเวกอันหวานชื่นของสมาธิจิตมีบุญในทางพุทธต้องไปให้ถึงความรู้ว่าต่อให้มีบุญแค่ไหนก็มีอยู่บนกองทุกข์ทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่เลิกทุกแห่งการเอาแน่เอานอนไม่ได้ ทุกแห่งการเลือกที่จะสุขอย่างเดียวไม่ได้เมื่อมีบุญถึงขั้นรู้ได้อย่างนั้นก็จะค่อยๆ อ, อยู่บนทางสะสมเหตุให้ได้หันหลังหนีกองทุกเริ่มจากเอาแต่บุญไม่เอาบาปเพื่อให้บุญพาขึ้นบันไดเลื่อนง่ายๆขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะพร้อมพอได้รู้ทางถอนตัวออกจากกองทุกได้จริง